วันนี้มีนักเรียนมาปฏิบัติที่วัดป่าสุกโตหลายคนที่ว่าส่วนใหญ่คงไม่เคยมานอนค้างแรมในวัดป่าแบบนี้แม้แต่จะนอนค้างที่วัดเนี่ยก็คงไม่เคยนะมานอนค้างแรมในป่าเนี่ย อย่างวัดป่าเนี่ยถ้าให้ดีนี่ต้องนอนคนเดียวนะเราจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความสงบมันไม่ง่ายนะที่เราจะได้มีโอกาสมาค้างแรมในวัดป่าหลายคนพอมาค้างแรมในป่าโดยเพราอค่ำคืนแบบนี้ก็คงจะ กลัวสารพัดนะกลัวสัตว์ ร, ร้ายบ้างกลัวงูเหยียวเขี้ยวคอบ้างนะหรือว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆแล้วที่ป่าสุโกโตนี่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะมันมีแต่สิ่งที่เป็นมิตรกับเราถ้าจะมีอะไรที่น่ากลัวก็ไม่ใช่อะไรเลยนะแต่คือใจของเรา ใจของเราต่างหากที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันสามารถที่จะปรุงแต่งคิดจินตนาการได้ต่างๆนานาโดยเพราะเวลาเราอยู่คนเดียวหรือบางคนกลางค่ำกลางคืนจะเข้าห้องน้ำที่จริงมันไม่มีอะไรที่อันตรายแต่ที่เป็นปัญหาก็คือใจของเรานั่นแหละ ว่าใจของเราก็จะคอยปรุงแต่งไปต่างๆนานาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักรอบกุฏิหรือข้างนอกหรือบางทีอาจจะเหมือนกับเสียงคนเดินเหยียบใบไม้กิ่งไม้ก็คิดไปแล้วนะว่ามีคนที่ จะมุ่งร้ายกับเราหรือเปล่านะมีพวกที่อยากจะมาแกล้งเราไม่กลางค่ำกลางคืนหรือจะคิดมากไปกว่า น, นั้นว่าคงไม่ใช่คนละมั่งแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะนะนะคิดแบบนี้ก็ตกใจนะกลัวความกลัวมาจากไหนความกลัวมาจากใจที่ปรุงแต่งนะที่มันปรุงแต่งให้มัน เวลวร้ายไปกว่าความเป็นจริงไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะนอกจากใจของเราโนะดยเพพาะเวลาที่มีความกลัวครอบงมจิตใจนี่มันปรุงแต่งได้สารพัดนะสิ่งที่ไม่มียตรายก็คิดว่าเมียตรายและในป่านี่มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเสียงมันดังชัดเจน เวลาได้ยินเสียงเหมือนกับสัตว์นี่มันเดินรอบกุฏินะก็คิดไปแล้วว่าเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายหรือว่าคิดไปแล้วว่ามันเป็นอันตรายที่จริงอาจจะเป็นหนูก็ได้เป็นหนูที่มันเดินรอบๆแต่ว่าเสียงมันดังความความสงบในป่ามันขยายเสียงให้ดังขึ้น ยิ่งเรามีความกลัวด้วยแล้วก็ขยายให้ดังขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเคยมีนะเมื่อทศสามเกือบ30ปีก่อนมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเล่าว่าท่านมานอนอยู่ที่กุติซึ่งปัจจุบันเป็นเขตอุบาสิกาสมัยนั้นยังไม่มีการแบ่งเป็นเขตอุบาสิกาเขตพระและตอนนั้นมันก็ก็ยังมีเก้งมีกวางอยู่ ในป่าแล้วเราก็ไม่รูมีสัตว์อะไรที่ใหญ่หรือดุร้ายมากกว่า น, นั้นเช่นหมีหรือว่าหมูป่าเนี่ยคือนึ่งท่านได้ยินเสียงใครกับสัตร์เนี่ยะตูท่าตัวใหญ่ซะด้วยมาที่กุติท่านที่แรกก็ได้ยินเสียงที่บันไดก่อน แล้วมันก็มาเดินอยู่แถวระเบียงหน้ากุฏิท่านตกใจมากนึกว่าหมีนะเพราะว่าเสียงมันชัดท่านก็รีบล็อกนะประตูแล้วก็เตรียมหาสิ่งที่พอจะเป็นอาวุธนะให้กับตัวเองได้ก็ไม่รู้ลนะนั่นมีตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันเข้ามานี่ก็ต้องสู้กันหน่อยท่านก็เรียกว่า คืนนั้นทั้งคืนนี่แทบจะนอนไม่หลับเลยลุงเช้านะก็ได้เวลาบินธั บ, บาัารท่านก็เปิดค่อยๆง้างประตูออกมาก็ไม่มีอะไรแล้วท่านก็ค่อยๆเดินลงบันไดก็ไปเห็นเอ่อเห็นกล่องสบู่นะกล่องสบู่ท่านวางไว้ที่ระเบียงแต่ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่อ่อยู่ที่พื้นดิน ใกล้ๆเราป่าไปดูชัดๆก็กาบกว่ามันมีรอยหนูแกะและหนูหนูแทะก็เลยถึงรู้ว่าไอสัตว์ใหญ่ที่ตั้งขึือเป็นหมีที่จริงไม่ใช่หมีนี้มันเป็นหนูนะหนูมันขึ้นมาแล้วก็มันก็เอาเอากล่องสบู่ไปแล้วก็ไปแท้สะบู่นั่นคืออาหารของมันโดยเฉพาะในหน้าหน้าแรงนะ ท่านก็อดขำตัวเองไม่ได้นะว่าหนูนะแต่ว่าคิดว่าเป็นหมีมันต่างกันเยอะมากอันนี้เพราะอะไรเพราะความกลัวนะใจมันก็ปรุงแต่งส า, ารพัดใจเรานี่มันปรุงแต่งได้มากมายสามารถทําให้คนเราเป็นบ้าได้ทําไมบางคนเนี่ยเป็นบ้าถึงกับถึงกับเรื่องผ้าหรือว่า วิ่งให้รถชนโดดลงจากสะพาน mm hmm. ก็บอกก็ mm hmm. ดีนเสียงแววเนี่ยดินเสียงแววว่ามีคนมาทําร้ายเนีบางคนบอกได้ยินเสียงแววหรือว่าเห็นภาพหลอนว่ามีคนถือปืนมานีอยู่หน้าประตู mm hmm. เขาโทรศัพท์ถึงเพื่อนบอกให้ช่วยมาหน่อย mm hmm. เพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรนะ mm hmm. แล้วก็มันอยู่ไกลไปไม่ถึงหรอก mm hmm. เขาก็พูดด้วยความตื่นกลัวมาก มันมีคนจะมาทำร้ายผมมันรออยู่ที่หน้าประตูนะเพื่อนบอกไม่มีอะไรคิดไปเองแต่เขาไม่เชื่อนะปรากฏว่าสามทุ่มคนคนนั้นก็ยิงตัวตายนะเพราะว่ากลัวกลัวคนจะมาทำร้ายทนไม่ไหวกลัวคนจะมาทำร้ายแล้วทำไมทำร้ายตัวเองพ่อแหละพ่าใจที่จริงไม่มีอะไร แต่ว่าใจเนี่ยที่มันจินตนาการได้ยินเสียงร้อนได้เห็นภาพร้อนก็สามารถทำให้ทำร้ายตัวเองได้ไม่มีใครนะจะทำร้ายเราหรือทำให้เราเป็นทุกข์ได้ได้รุนแรงมากกว่าใจของเราเนโดยเพราะใจที่มันปรุงแต่งสารพัดนะศัตรูที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับใจ คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าหากแพ้ใจตัวเองแล้วนะมันก็ไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญได้อัเพิ่งได้อ่านบทสัมภาษณ์นะของน้องเมย์รู้จักไหมน้องเมย์ลักษนกอินทนนนะ์นะเพิ่งได้แชมป์แบดบมินตันแชมป์โลกนะเมื่อเดือนที่แล้วเราบ้างแต่ขาให้สัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัว มากที่สุคือกลัวแพ้ใจตัวเองเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นแบดมินตันเนี่ยถ้าเขาเล่นเต็มที่เนี่ยแล้วแพ้เนี่ยยังไม่รู้สึกแย่เท่ากับการที่แพ้เพราะว่ากลัวนะกลัวกลัวอะไรกลัวแพ้นะพอกลัวแพ้เนี่ยมันก็จะบีบใจตนสู้ไม่ไหวจนเล่นไม่ออกนะอันนั้นนะแย่เพราะว่าอะไรมันแสดงว่าเขาไม่ได้แพ้คนอื่นแต่เขาแพ้ใจตัวเองใจที่มันกลัว กลัวแพ้นะพอใจที่พอมีความกลัวแพ้เมื่อไหร่เนี่ยก็บอกจะเล่นไม่ค่อยออกเลยนะไม่ว่าจะซ้อมมาดีแค่ไหนพอแต่ทันทีที่กลัวแพ้ขึ้นมามันจะบีบนะมันจะบีบตัวเองแล้วเพราะงั้ขาถึงบอกว่าเนี่ยเวลาเขาเล่นแบดมินตันถ้าเขาเล่นแพ้คนอื่นนี่ยังไม่เท่าไหร่โดยเพราะถ้าเกิดเล่นเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เพราะว่า เล็นไม่ออกเพราะความกลัวนะไม่ใช่กลัวไม่กลัวคู่ต่อสู้นะกลัวแพนะ้อันนั่นแหละที่มันทำให้เขารู้สึกแย่เพราะว่าแสดงว่าแพ้ตัวเองแล้ว พ, พวกเรานะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรากลัวเมื่อไหร่นะกลัวว่าจะสอบไม่ได้นะกลัวว่าจะแพ้คนอื่นเขา มันจะเกรงขึ้นมาเลยและไอ้สิ่งที่เราได้เตรียมมานี่เอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเครียดนะเกิดความเกรงบางทีข้อสอบง่งงายๆก็ตอบผิดหรือว่าตอบไม่ถูกนะคิดไม่ออกนะนี่เราไม่ได้แพ้ข้อสอบนะแต่ว่าแพ้ใจตัวเองนะัฟุตบอลระดับโลกนี่นะที่เขาเวลาเขาได้ ได้เตะลูกโทษเนี่ยแล้วก็เตะผิดเตะพลาดเตะออกนอกกรอบประตูเนี่ยนะไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือนะแต่ว่าเพราะแพ้ใจตัวเองกลัวว่าจะเตะไม่เข้าพอมีความกลัวแบบนี้ขึ้นมานี่มันก็เตะไม่เข้าจริงๆไอ้ความกลัวมาอย่างไหนก็เกิดจากใจที่มันปรุงแต่งนะพอคิดถึงเรื่องแพ้ชนะขึ้นมา ก็คิดละกลัวแล้วว่าเออเกิดแพ้ละ่ะพอคิดว่าเกิดแพ้ขึ้นมาละ่ะไอ้แบบนี้แหละมันก็ทําให้ล่นทําให้เกร็งถ้ามีฝีมือเท่าไหร่มีฝีมีฝีมือแค่ไหนนะถ้ามีความกลัวแบบนี้แล้วมันก็เล่นไม่ออกเตะไม่ถูกนีนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องพยายามทำให้ได้คือการมีสมาธินะการฝึกสมาธิ ยิ่ ง, งเฉพาะเวลาช่วงที่มันเข้าได้คําเข้าเข็มเนี่ยเช่นเตะลูกโทษในนัดสําคัญนัดชี้ตาหรือนัดจิงชนะเลิศนี่สมาธิสําคัญมากต้องวางวางทุกอย่างลงจิตนี่ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะนอกจากลูกฟุตบอลที่ต้องเตะให้มันตเตะเหมือนที่ซ้อมอ น, นะอันนี้น้องเมย์ก็พูดเป็นกันนะบอกว่าเวลาเข้าลงแข่งเนี่ยเขาคิดแต่เพียงว่าทําให้เหมือนซ้อม ถ้าซ้อมดีซ้อมเต็มที่แล้วเนี่ยเวลาลงแข่งจริงๆก็เล่นเหมือนซ้อมไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอคิดเมื่อไหร่นะว่ากลัวแพ้นี่ฝืดเลยเล่นไม่ออกเลยมันบีบตัวเองนะไอ้พวกเราที่เรียนหนังสือเนี่ยนะเราจะคิดว่าสมาธิไม่สําคัญมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพระมันเป็นเรื่องของแม่ชีที่จริงไม่ใช่นะเพราะว่า มันสำคัญมากในการที่จะชนะใจตัวเองเก่งนะแค่ไหนแต่ถ้าแพ้ใจตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าในเรื่องการเรียนการสอบหรือว่าการดาเนินชีวิตและเราจะชนะใจตัวเองได้งไงก็ต้องอาศัยการฝึกสมาธินะการเจริญสตนะิการฝึกสมาธิมันทำให้จิตใจเราแน่วแน่มันทำให้เรายนะิ่งละรมี อ่าสติที่รวดรวดเร็วฉับไวเนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ความกลัวนี่เข้ามาครอบงําใจเราได้ความกลัวก็ดีความโกรธก็ดีนะไอ้พวกเราที่มันครอบงาใจได้ก็เพราะใจเราไม่มีสติมีสติหมเขาว่าไงไหมเขาว่ามีความรู้ทันรู้ทันเวลามีอารมณ์ครอบงาใจหรือใจฟุ้งซ่านเนี่ยอย่างตอนทํารมวสดมนอยู่กับใครที่ฟังคำบรรยายเนี่ย บางทีใจเราก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่ลอยไปได้ไกลเมื่อใ่ก็ตามที่เราใจลอยเนี่ยแสดงว่าเราลืมตัวไปละเราเผลอไปละเราไม่มีสติแล้วเนีะสตินี่ถ้ามีถ้าฝึกเนะ่มันจะทําให้เรารู้ทันว่าโ อ, อ้ใจลอยแล้วนะะสตินี่แหละจะพาจิต ก, กลับมากลับมาไหนกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว จังใจเรานี่มันไม่ค่อยอยู่กันเนื้อตัวเท่าไหร่นะมันลอยไปโน่นนะลอยไปอดีตทั้งอนาคตบ้างไปที่บ้านแล้วบางทีมันก็ไหลไปที่เสียงนะเสียงรถข้างล่างหรือเสียงเด็กข้างล่างนะลอยไปไหลไปเสร็จแล้วก็จมนะจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความกลัวจมอยู่กับความโกรธนะจมอยู่กับความเครียดนะ่ะ ตีแรกลอยไปไหลไปดีๆประดีเดียวจมแล้วจิตมันก็ไม่กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวบรรยายยังไงก็ไม่ได้ยินนะหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยมีปัญหาการเรียนเพราะว่าใจไม่มีสมาธิใจมันลอยหรือว่าใจฟุ้งซ่านอันนี้แหละที่ยิ่งจำเป็นต้องมาฝึกมาฝึกการเจริญสติ มาทำให้เพ่งเพ่อจะช่วยให้เรามีสมาธิกับการเรียนกับการอ่านหนังสือนะเวลาเข้าห้องสอบมันเกิดโลนขึ้นมานะว่าวิชานี้เราจะผ่านไหมหรือว่าเราจะได้เอได้สี่ไหมนะได้มาทุกวิชาแล้ววิชานี้ต้องได้นะพอคิดว่าต้องได้แคนี้มันก็กลัวเฉยว่าแล้วเกิดไม่ได้ขึ้นมาล่ะเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็แย่สินะก็เลยทําให้เกรงนะ อันนี้เราไม่มีสติแล้วถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันรู้แลยมันก็วางนะวางมารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นมารู้ทันความกลัวความเกรงที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมามาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับหนังสือที่อ่านอยู่กับข้อสอบที่กําลังทํามันจะมีความโปร่งโลงความเบาสบายถึงตอนนั้นแหละสิ่งที่เราได้ตัดเตรียมามันจะพรั่งโปร่งมามันจ่อกมาเหมือนกับว่า กุญแจนะถูกเปิดให้ประตูออกเปิดประตูนะความรู้ที่เราตาเตรียมมาที่ท่องมาหรือที่ได้ฝึกฝนมาก็พลั่งพออกมาข้อสอบยากแค่ไหนเราก็ทำได้นะเพราะว่าใจเรามีสมาธิสมาธิกับปัญญาเป็นของคู่กันนะมีสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญานะสติสำคัญก็ตรงที่ว่ามันทให้มีสมาธิได้ง่าย แะสติก็ทําให้เราสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้เริ่มเรียนมามาใช้การได้ความรู้บางทีมันเหมือนกับของที่อยู่ในในในลิ้นชักนะความรู้อยู่ในลิ้นชักเนี่ยถึงเวลาต้องเอามาใช้งานแต่ว่าเปิดลิ้นชักไม่ได้เปิดลิ้นชักไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันตกใจมันเกร็งนะ เวลาเรากลัวเวลาเราเกรงเนี่ยมันมีอาการมันกมืด8ดด้านเลยคนบางคนตกใจนะหรือคนบางคนเศร้าเสียใจเนี่ยไอ้พวกนี้จะมีอาการคล้ายกันคือมืดแปดด้านนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกท่านั่งที่ท่องไว้แล้วโอ้ท่องไว้คล่องเลยนะแม้กระทั่งบทสดมนต์เนี่ยบทีเราสดมนต์กันเป็นห้าปีสิบปีคล่องเลยนะแต่เกิดตกใจหรือเกิดเครียดขึ้นมานี่มันนึกไม่ออกเลยก็มี อันนี้แปลว่าลิ้นชักนี่มันถูกมันเปิดไม่ออกแล้วเพราะมันถูกล็อกเอาไว้แต่ถ้ามีสตินี่มันเหมือนกับกุญแจมันก็จะเปิดนะไขกุญแจเปิดเอาลิ้นชักออกมาไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้นะในความทรงจำมันก็ออกมาแบบพรั่งพรูเลยนะสติถึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะแม้กระทั่งสำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักเรียน นักกีฬานี่เขาก็หลายคนเขาก็จะต้องทำสมาธิก่อนที่จะลงสนามลงขึ้นเวทีนะเพื่อ ใ, ใจนิ่นงๆทาให้ใจเนี่ยสงบนะปลอดพ้นจากความกลัวความวิตกใดๆทั้งสิน้นเพื่อจิตมีสมาธิเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าใจที่มีสติใจที่มีสมาธิเนี่ยนะ มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะชนะใจตัวเองได้นะไม่แพ้ใจตัวเองได้ง่ายๆและสาเหตุที่คนเรานะแพ้ใจตัวเองเนี่ยก็เพราะความลืมตัวนะลืมตัวนี่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆครอบงําลืมอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวนะเพราะว่าถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรก็ได้นะ เขาเคยมีเรื่องเล่านะของลามะท่านหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศภูฐานนะชื่อว่าลามะเรียกว่าลามะดรุก ป, ปะกิเลน ะ, ล, ะลามะคนนี้เนี่ยนะจริงๆเคยเป็นนักบวชแต่ตอนหลังก็สลละความเป็นนักบวชนะมาเป็นคล้ายๆเป็นโยคีเป็นฤาษี แล้วก็มีมีพฤติกรรมแปลกๆนะแล้วชอบชอบหยาชอบเล่นกับคนคราวหนึ่งจาลึกมาที่เมืองเมืองหนึ่งเห็นมีถ้าอยู่ก็อ่าจะขอพักที่ถ้ำนั่นแหละคนก็บอกว่าอย่าพักที่ถ้ำนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตของโจรกลุ่มหนึ่งนะมันมีโจรอยู่คนหนึ่งนะ ที่คอยชอบปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เดินทางผู้จาริกนะแล้วใครที่มาพักในรรมนี้ก็เป็นนันโดนอ่าโดนปล้นโดนขโมยทุกไลนท่านลูกป่านี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรจะจะพักตรงนี้แหละในใจนี่ก็คิดว่าจะหาทางแกล้งโจนคนเนี้ยจะแกล้งยังไงจะแกล้งให้มันกินขี้ของท่านนะจะแกล้งให้มันกินขี้ของท่าน วางแผนเลยทำยังไงเหรอท่านก็เอาถุงเงินของท่านออกมาแทนแล้วก็เอาเงินออกไปแล้วก็ท่านก็ขี้ลงไปนะถ่ายอุจจาระลงไปในถุงเงินนั้นนะแล้วก็มัดเอาไว้เสร็จแล้วพอกลางคืนท่านก็นอนนอนก็เอาถุงเงินนี้วางไว้ข้างๆก็จุดไฟพอได้เห็นนะเจาะพอให้พอได้เห็นลางๆว่าในถ้า น, นั้นมีความสว่างอยู่ พอตกตึกนี่โจนก็มาตามที่ชาวบ้านเ็เตือนเอาไว้โจนมันเห็นถุงเงินนะมันก็คว้านะคว้าเสร็มก็เปิดแล้วมันก็มือหยาไปพอมือเอามือหย่บไ ป, ม, ม, ไปมันก็รู้ว่าข้างในไม่ใช่เงินแล้วแต่เป็นขี้นะมันทำไงตกใจรีบรีบดึงมือออกมาแล้วเนื่องจากดึงมาดึงออกดึงมื อ, อ, อมาเร็วมากมือมันก็ไปกระแทกกับหินที่อยู่ข้างๆ พอกระแทกปีนีกอยู่ข้างๆก็เจ็บปวดปวดมือปวดนิ้วแล้วทํางานก็รีบเอานิ้วเนี่ยยัดใส่ปากเพื่อจะได้ให้มันหายปวดก็เลยได้กินขี้สมใจเลยนะกินขี้ของท่านดูปดากตามที่ท่านวางแผนเอาไว้ทําไมรู้ทั้งท่านได้รู้ว่าเป็นขี้แล้วแต่ทาไมถึงเอามือเนี่ยยัดใส่ยัดใส่ปากนะเพราะว่าลืมตัวเนี่ยมันปวดเนี่ยพอตอนตอนที่มือกระแทก ตอนทีนิวกะแทกะกัหินเนี่ยปวดปวดก็ลืมตัวก็โดยสัญชาตญาณก็เอามือเนี่ยนะยัดใส่ปากเพื่อที่จะดูดหรือว่าเพื่อที่จะทําให้มันหายปวดนะคนร้อนนี่ถ้าลืมตัวนี้ก็สามารถกินขี้คนอื่นได้นะอ น, น, นิทาลนลุมีสอนเอาไว้แต่ที่จริงกินขี้ตัวเองกินขี้คนอื่นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าลืมตัวอย่างอื่นแล้วนี่มันอาทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่นคนที่ลืมตัวแล้วก็โกรธนะอาจจะลืมตัวเพราะว่าเมาหรือว่าเมายาบางทีก็ทําร้ายคนที่ตัวเองรักพวกที่เมายานี่ก็บางทีก็ทําร้ายแม่ทำร้ายพ่อหรือว่าถึงเอาฆ่าก็มีนะหรือบางทีก็ทําร้ายคู่รักของตัวเองเพราะความกลัวเพราะความหึงหวงอันนี้มันกลัวทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าลืมตัวทั้งนั้นนะ ปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความกลัวปล่อยให้ความโลภเข้ามาครองกำจนะไม่ใช่แค่ความกลัวเท่านั้นนะมันมีอารมณ์พวกนี้ที่มันพร้อมจะเล่นงานเราอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ฝึกใจของเราไว้นะให้มีมีสติซึ่งจะเป็นเสมือนยามนะเป็นยาม เป็นยามที่จะเฝ้ารักษาใจของเราไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำนะเพราะถ้ามันครอบงำใจแล้วเมื่อไหร่เราก็จะลืมตัวแล้วเราก็จะทำไปทาอะไรก็ได้ไปตามหน้าของมันพออารมณ์มันหายไปแล้วค่อยมานึกเสียใจว่าไม่น่าทำเลยนะบางคนโกรธจัดด่าแฟนบางคนโกรธจัดว่าแม่พอหายโกรธค่อยมาเสียใจว่าฉันไม่น่าเลย หลายคนมักจะพูดแบบนว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้งนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ถูกคร่อกัำด้วยอารมณ์ก็ต้องเจริญสติอยู่เสมอการเจริญสติก็คือการกลับมาดูใจของตัวทีนะ่จริงมันมีอีกส่วนนึงเดีวยวก็คือการรู้กายนะทำอะไรก็รู้ นั่งอยู่ก็รู้นะเดินก็รู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้กายเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้รู้กายเคลื่อนไหวเวลาจใจมีคิดนึกไปก็รู้เห็นใจคิดนึกนะถ้าเราเจริญสติ ด, ดีเราใจรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะทำอะไรไปไม่ว่าเป็นการเคลื่อนขยับกายนะก็รู้เผลอคิดไป นะก็รู้ว่าใจกําลังคิดใจกําลังฟุง้งนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีสตินะซึ่งเกิดจากการทีนะ่มันมองตนอยู่บ่อยๆนะแต่คนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบมองตนเท่าไหร่มักจะไปมองคนอื่นอยู่เสมอนะไอการมองคนอื่นอยู่เสมอนั่นแหละก็คือการที่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมาเหมือนกับนักมวยที่ ทิ้งกาดนะนักมวยเนี่ยถ้าทิ้งกาดเมื่อไหร่คือมือเนี่ยแทนที่จะปกป้องกับวางหรือปล่อยนะมันก็เปิดมันก็เป็นจุดอ่อนให้อีฝานู้นี่เข้ามาต่อยที่หน้าอกมั่งต่อยที่หน้ามั่งต่อยที่ลําตัวได้จิตที่ไม่มีสตจิจิตที่เพ่งมองส่งจิตออกนอกเนี่ยไม่ค่อยหันกลับมาดูใจและก็คือเหมือนกับนักมวยที่ไม่มีกาดนะเปิดกาดเต็มที่เลย แล้วถ้าเกิดว่าเรามันถ้าเราไปส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่นะมันก็จะเผลอได้ง่ายเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่พอใจเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็โกรธเราคิดแต่จะจะว่าเขานะจะทำร้ายเขาโดยที่เราไม่ไ ด, ดูใจนะต้องระวังมากในเวลาเราเผลอส่งจิตออกนอกนะ บางทีเราก็ทําอะไรที่ไม่เข้าท่านะก็เพราะว่าการที่เราส่งจิตออกนอกไม่ยอมกลับมาดูใจฉัเคยได้ยินเรื่องพระสี่รูปนะที่เขาตั้งใจจะนั่งสมาธิแบบอุกฤษไหมอันที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยก็มีพระสีรูปเนี่ยท่า น, นตั้งใจว่าคืนจะนั่งสมาธิแบบไม่คุยกันเลยนะเจดวันเจ็ดคืน การนั่งสมาธิของคนญี่ปุ่นนี่เขาจะนั่งนะเรียงเป็นแถวนะไม่ได้ต่างคนต่างนั่งในกุฏิของตัวนะแต่ว่านั่งในศาลาหันหน้าเข้าข้างฝานะอันนี้ตั้งใจว่าจ ะ, จะเจริญสมาธิแบบอุกฤษคือไม่พูดไม่คุยกันเลยเช้าวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอตกค่าเนี่ยได้ยินเสียงกุกกักกุกกักนะที่ศาลาที่อุโบสถ น, นะ โบสถ์เนี่ยเขามีวัตถุโบราณเยอะนะมีทั้งทองมีทั้งเครื่องเงินนะพอได้ยินเสียงกุกเกากุกกับขึ้นผ้ารูปหนึ่งก็้ารูปแรกก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะท่านปิดประตูศาลานน่นหรือเปล่าท่านที่สองก็เลยพูดขึ้นมาว่ า, าถ้านลืมไปแล้วหรือไม่ถ้าลืมไปแล้วไม่ใ ช, ใช่หรือว่าเ้าห้ามพูดลูที่สามบอกว่าแล้วพวท่านพูดทาไม ซักพักรูที่สี่เขาบอกว่าพวกท่านแย่หมดเลยพูดทุกคนเลยยกเว้นผมคนเดียวไม่พูดนตกลงใครแย่ที่สุดนะทําไมเผลอ <c oughs> ตกลงกันแล้วนะว่าจะไม่พูดแต่แล้วทาไมแต่แล้วทําไมพูดขึ้นมาไม่ได้พูดประปางไปว่าคนอื่นด้วยลูปที่สองไปว่ารูปที่หนึ่งว่าอ่าท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้อห้ามพูดอ่าตกลงกันว่าจะห้ามพูดลูปที่สามก็เผลอพูดเพราไปว่าลูปที่หนึ่งและสองว่าแล้วท่านทั้งสองพูดทําไม ไอ้ที่ยาคือรูปที่สี่นะเพราะว่าว่าทั้งสามรูปหรือว่าท่านพูดกันหมดเลยแถมคุยโมสินกนะครมีผมคนเดียวไม่ได้พูดนะอันนี้ทําไมเผลอทําไมลืมตัวก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไปเพ่งออกนอกคิดแต่จะไปว่าเขานะหรือว่าคิดอยากจะโชว์ออฟคิดอยากจะคุยโมอันนี้ถือว่าเป็นอาการของการส่งจิตออกนอกทั้งนั้นนะลืมมาดูใจเนี่ยว่าโอ้นี่เราเรากําลังเผลอไปแล้วนะ ไอ้ความอยากจะวิจารณ์คนอื่นอยากจะตําหนิคนอื่นก็ดีนะหรือว่าความอยากจะคุยโม่ก็ดีเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราลืมตัวได้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อใ่ก็ตามที่เราจิตมันจะพุ่งออกนอกนะเราหัานกลับมาดูใจสักหน่อยก็จะเห็นว่าโอ้มันมีความอยากจะคุยโม่แล้วนะมันมีความอ่าไม่พอใจคนอื่นแล้วนะเราจะเห็นตรงนี้ ได้ความคิดที่อยากจะพูดนะเพื่อว่าเขาความคิดที่อยากจะคุยโม้มันก็จะมัน ก, ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือไม่สามารถจะทำให้เราทําตามที่มันสั่งได้เพราะเรามีสติเรารู้ตัวไงและเรารู้ว่าตกลงกันแล้วว่าจะไม่พูดให้เราลองกลับมาดูนะว่าในประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเผลอลืมตัวกี่ครั้งเราลืมตัวบ่อยไหม และที่เราลืมตัวเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมุ่งไปที่คนอื่นมุ่งไปที่ข้างนอกที่เรียกจิตส่งออกนอกหรือเปล่านะนั่นอย่าเพ้อส่งจิตออกนอกอย่างเดียวลกลับมาดูใจนะและถ้าเรากลับมาดูใจบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่เปิดช่องให้ความโกรธความกลัวหรือว่าความทุกข์นี้เข้ามาครอบงํากํา ก, กับจิตใจได้และถ้ามันครอบงํากํากับจิตใจเราไม่ได้เนี่ย ก็เท่ากับว่าเราชนะใจตัวเองนะเราจะทําอะไรเราจะเล่นกีฬาเราจะเล่นดนตรีเราจ ะ, ะเรียนหนังสือหรือว่าเข้าทําข้อสอบนะเราก็จะมั่นใจนะว่าเราจะไม่แพ้ใจตัวเองนะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะศัตรตูแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรตูที่อยู่ในใจเรา นะคืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะและถ้าเราปล่อยให้ศัตรูและคบ ง, งันใจเราก็จะแพ้ใจตัวเองนะฉะนั้นต้องหันกลับมานะกลับมาฝึกฝนหาวิธีที่จะชนะใจตัวเองให้ได้และการเจริญสติการสมาการทำสมาธินี่แหละนะจะช่วยให้เรานะไม่แพ้ใจตัวเองได้เอาแล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบร